ค่ะวหพวงะ่อค่ะก็คงเป็นเรื่องที่ผู้เขียนเนาะอาจจะเข้าถึงเข้าถึงอะไรเนี่ยแล้วก็มาเขียนมาบอกค่นะแต่เราเนี่ยถ้ายังไม่ได้ปัฏิบัติหรือไม่เข้าใจมัน ก, ก็ก็ได้แต่อ่านนะนะแล้วกามาโนเอาเพราะนั้นเนี่ยถ้าให้เข้าถึงจริงก็คือเริ่มต้นจากรู้สึกตัวนี่แหละแล้วก็จะเป็นปัจจตังนะค่ะแต่ทีนี้ถ้าเราเอา อันเนี้ยที่มาสรุปเป็นอย่างเนี้ยเนี่ยทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ปรากฏหมดแล้วนะอแต่ตัวว่างจริงอ่ะไม่ได้ปรากฏหรอกทีนี้ถ้าเราไปจําพวกเนี้ยก็กลายไปไปจําสิ่งที่ปรากฏก็กลายเป็นว่าไม่ใช่ว่างจริงเพราะว่างจริงเนี่ยมันเหนือความปรากฏคือมันไม่ปรากฏอะไรเลยอธิบายตัวว่างเองอ่ะอธิบายอะไรไม่ได้เพราะว่าถ้าอธิบายได้ก็เป็นสิ่งปรากฏเนาะมันจึงอยู่เหนือทุกสิ่งเหนือคําอธิบายเหนือความปรุงแต่งทั้งหมดทั้งสิ้น แต่ก็อย่างหลวงพ่อที่พูดเนี่ยก็คือก็ก็พูดเป็นความปรากฏอีกแล้วเป็นสิ่งที่ปรากฏแต่ว่างจริงอะ่ะมันไม่ใช่สิ่งนี้หลวงพ่อก็พูดไปเพราะนั้นมันยากแต่ว่าถ้าจะให้เข้าใจนะยอมคือรู้สึกตัวหลวงพ่อจะพูดพอให้เป็นภาพนะว่ารู้สึกตัวเนี่ยมันเข้าถึงความว่างได้ยังไงนะเมื่อกี้ก็ในนั้นก็มีพูดถึงเรื่องลมใช่ไหมหลวงพ่อจะพูดถึงเรื่องลมก็ได้ ลมเนี่ยเป็นมันเป็นสิ่งที่ปรากฏเนาะมันเป็นสังขารที่ปรุงแต่งเป็นสิ่งที่มีนะก็มีจริงๆอะ่ะมีแบบเนี่ยที่รับรู้กันได้ว่าเออมันมีลมหายใจนะมีหายใจเข้าหายใจออกมีหายใจเข้าหายใจออกอยู่อย่างเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าดูลมก็จะเห็นว่าลมเนี่ยมันแสดงความเป็นความไม่เที่ยงความเป็นไตรลักษณ์เนาะและสุดท้ายถ้ามีปัญญามากก็จะเข้าใจว่าลมก็คือลมเป็นธรรมชาติไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เรา แต่มันเกิดแล้วก็หมดไปแต่ทีนี้อันนี้ถ้าเข้าใจกันอย่างสูงสุดเนี่ยอะไรที่มันมารู้ลมนี่ตรงนี้แหละถ้าสมมติว่านะถ้าสมมติว่าการรู้ลมไม่ใช่เรารู้เพราะจริงๆอ่ะมันไม่มีเราเนาะแต่เวลานั่งปฏิบตัตินั่งดูลมเนี่ยมันยังเป็นความรู้สึกหรือเป็นความลึกๆก็คือว่าเราเป็นคนรู้ว่าลมเข้าลมออกร้อยเปอร์เซนเลย แต่ส่วนมากก็ผู้ปฏิบัติก็ไม่เห็นตัวเราว่าเป็นผู้ดูลมอยู่ถ้าเมื่อไม่เห็นตัวเราก็กลายเป็นว่าตัวเราเป็นผู้รู้ลมแต่ถ้ารู้ตัวเราก็จะรู้เลยว่ามีธรรมชาติอันหนึ่งที่รู้ตัวเราได้ธรรมชาติที่รู้ตัวเราอันนั้นแหละมันก็พ้นไปจากตัวเราทีนี้ลองมาพิจารณาดูว่าตัวเราคืออะไรตัวเราคือขันธ์หน้าตัวเราคือสังขารตัวเราคือ มีความแปลปวนเนาะมีความเป็นทุกข์แล้วก็สุดท้ายมันก็แตกสลายตายไปหมดอันนี้คือสิ่งที่เรียกว่าตัวเราในทางสมมุติแล้วอะไรเล่าที่มารู้ตัวเราไอ้ธรรมชาติที่รู้ตัวเรามันก็ไม่ใช่ตัวเราแน่นอนนะนะตัวเราคือขันห้าเข้าใจได้แล้วเนาะอ่าแต่อันนน้นอ่ะมันมาลูรู้ตัวเราซึ่งเป็นขันห้ามันจึงไม่ใช่ขันห้าทีนี้เรามาลองเทียบกันขันห้ามีความเกิดแล้วก็ดับไป แต่ธรรมชาติรู้เพราะมันไม่ใช่ขันธ์หน้ามันจึงต้องไม่ใช่เกิดและก็ไม่ใช่ดับไปถ้ามันเกิดแล้วดับไปแสดงว่ามันก็ก็เป็นขันธ์หน้าอยู่ดีเพราะฉะนั้นไอ้ที่มารู้เราอ่ะมันต้องพ้นจากความเกิดและความดับไอ้ที่พ้นไปอันนั้นแหละเขาเรียกว่าอันนี้หลวงพ่อสรุปแบบย่อๆแบบรัดๆเลยนะไอ้ที่รู้เรานั่นแหละเขาเรียกว่าความว่างเป็นความว่าง ที่เมื่อกี้ที่อาจจะพูดถึงเมื่อกี้อะไรนะแต่มันอาจจะมีคุณสมบัติบางข้ออาจจะไม่ตรงกันเช่นมีความสุขความว่างไม่มีความสุขความว่างมันเหนือความสุขความว่างเมื่อกี้มีหลายข้อเนี่ยมันไม่ตรงกับความว่างเพราะว่าสิ่งที่พูดมาเนี่ยยังเป็นอาการยังเป็นอาการแล้วอาการนั้นยังเกิดยังดับแต่ความว่างมันพ้นไปจากความเกิดความดับเพราะนั้นเนี่ยความว่างตรงนี้ก็ มันจะเข้าใจได้ต่อเมื่อรู้เราเมื่อเมื่อวันสองวันเนี่ยก็มีการทดสอบกันแล้วบางคนก็เข้าใจแล้วว่าอ๋อมีธรรมชาติอันหนึ่งมารู้เราได้แล้วธรรมชาติอันนั้นเนี่ยเป็นความไม่ปรากฏตัวก็เหมือนกับที่หลวงพ่อมีคลิปอันนี้แหละลองไปดูมันจะมีไอ้คลิปเนี่ยก็หมายความว่าเป็นภาพวิดีโอเป็นสิ่งถูกรู้ถูกเห็นนะถูกรู้ถูกเห็นแล้วภาพวิดีโอก็มีการกระเพื่อมมีการอย่างนั้นอย่างนี้แต่ ผู้เห็นไม่ปรากฏตัวไอความไม่ปรากฏตัวเน่ยนั่นแหละเขาเรียกว่าความว่างพ้นไปจากกิเลสตะนะคือไม่ในความว่างไม่มีกิเลสไม่มีตัณหาไม่มีอะไรทั้งหมดเลยอ่าไม่เป็นไม่มีอะไรทั้งหมดเลยมีแต่การรู้แจ้งเท่านั้นเองรู้แจ้งต่อสิ่งที่ปรากฏอันนี้หลวงพอ่พอพูดแบบพอให้เป็นเข้าใจได้อ่ะนะอืม แต่ทีนี้เรื่องมโนทั้งหลายที่เรามโนเนี่ยคือเรามโนเอาเองเขาเรียกว่าจิตเนี่ยมโนคิดอันนี้ก็ไม่ใช่ความว่างความว่างเนี่ยมันอยู่เหนือการมโนอยู่เหนือกันคิดแต่มันสามารถรู้ได้นะเวลาความคิดปรากฏขึ้นนะเวลามโนปรากฏขึ้นความว่างนั้นมันก็รู้ได้หมดเลยเพราะนั้นความว่างเนี่ยมันมีความรู้มันไม่ใช่ว่างแบบว่างแบบอากาศไม่ใช่ว่างแบบไม่รู้อะไรมันต้องว่างอย่างตื่นรู้อย่างพุทธะเนี่ยที่เมื่อกี้มีการพูดถึงอยู่ว่า ความว่างนั่นแหละคือพุทธะพุทธะคือมีคุณสมบัติคือรู้ทุกสิ่งได้รู้แจ้งโลกรู้ทุกสิ่งรวมถึงรู้ตัวเองด้วยว่าตัวเองไม่ไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนอกนั้นั้นเกิดแก่เจ็บตายหมดเลยได้แต่รู้ค่ะได้แต่รู้เพราะนั้นวิธีฝึกเนี่ยก็คือฝึกรู้ฝึกรู้ตัวเองแต่ถ้าเอาตัวเองไปรู้เนี่ย มันไม่เหมือนกันวันก่อนก็คุยไปแล้วเนาะตัวเองไปรู้กับรู้ตัวเองอย่างที่หลวงพ่อพูดมาทั้งหมดเนี่ยเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมุมนี้มุมที่หลวงพ่อกําลังพูดเนี่ยเขาเรียกว่าเอาตัวเองไปรู้แล้วก็มาเล่าโยมแต่ถ้ารู้ตัวเองก็คือมันรู้ว่าหลวงพ่อเนี่ยกําลังพูดอยู่แต่มันไม่ได้พูดอะไรหรอกมันได้แต่รู้ว่าหลวงพ่อเนี่ยพูดพูดนั่นพูดนี่พูดนุ่นพูดนี่มันได้แต่รู้แจ้งอยู่นั่นน่ยจริงนั้นเลยเขาเรียกว่าว่างแท้ว่างจริง เราว่างในเนี้ยมันจะไม่มีสุขไม่ได้มีทุกข์มไม่ได้มีการต้องไปทําอะไรด้วยค่ะนะคะ ม, มันไม่ต้องไปช่วยยับยั้งหรืออะไรอย่างนี้ด้วยนะคะว่างที่ที่หลวงพ่อบอกเนี่ยมันเป็นคนเราว่างกันกับการที่เรานั่งสมาธิแล้วว่างค่ะนะค ะ, นะคะถ้าเกิดว่าใครสงสัยนะคะก็เตือนเชิญได้นะคะเพราะว่างที่เป็นสมาธิย่อมลองดูตีว่า มันเป็นความว่างที่เราไปรู้ว่ามันว่างเห็นไหมเราเนี่ยไปรู้ว่ามันว่างมีตัวเรานะแต่อันว่างแท้หนูมันรู้ตัวเราอ่ะเออมันคนละชนิดคนละอย่างกันเลยมันต่างกันเพราะฉะนั้นก็ทําความเข้าใจใหม่นะคนไหนที่ไปติดว่างไปแช่ในว่างอ่ะมันไม่ว่างจริงหรอกพอพอหลุดออกมาจากว่างเมื่อไหร่ก็ยังโกรธยังโลภเหมือนเดิมอ่ะ โมโหโกธาอยู่อรารวาสก็เหมือนเดิมเพราะนั้นไอ้นั้นทำไมมันเป็นแค่อารมณ์เป็นแค่สิ่งที่ถูกรู้ยังเป็นสังขารเกิดดับแต่ใช้เพื่อการพักผ่อนได้แต่อย่าไปแช่นานเพราะว่าถ้าแช่นานมันขี้เกียจไปหมดเลยขี้เกียจทํางานขี้เกียจขี้เกียจไปหมดแหละเพราะมันมันไปอยู่ในความสบายไงแล้วก็เคยอย่ามายุ่งด้วยนะเดี๋ยวความว่างหายโกโรธนะแต่ว่างแท้จริงไงมันไม่มีการการหายหรือมีการไม่หายอ่ะ คือจะหายก็ไม่ได้จําไม่หายก็ไม่ได้คือมันเหนือไปเหนือคําพูดหมดเลยเหนือของคู่หมดเลยเออมันเป็แต่ถ้าถ้าเข้าใจได้ก็นี่แหละมาฝึกเรื่องรู้ตัวตามตามที่หลวงพ่อกําลังพูดเนี่ยรู้ตัวปัจจุบันเนี่ยเช่นที่ให้ยืนดูผนังบ้างดูยืนดูกรอบรอบกรอบรูปบ้างอะไรเนี่ยเนาะหรือดูคลิปวิดีโอหลวงพ่ออะไรเนี่ยลองไปดูแล้วก็จะจะเข้าใจแต่อันนี้ก็ยังเป็นการเขาเรียกว่ายังยังมีเจตนาเพื่อศึกษาเนาะแต่อย่างน้อยก็พอจะเข้าใจได้แล้วล ว, ว่าอ ธรรมชาติรู้ตัวเราเนี่ยคือเป็นอย่างเนี้ยแต่ถ้ามันรู้จริงๆมันต้องไร้เจตนาคือเราเนี่ยไม่มีต้องไปเจตนาไม่ต้องศึกษาแต่มันรู้เราแบบแบบไร้เจตนาหมดเลยนะตัวเราเองก็ไม่ได้เจตนาที่จะศึกษาเรียนรู้อะไรมันแล้วมันมันก็ไม่มีเจตนาอยู่แล้วเพราะมันเป็นธรรมชาติที่ได้แต่รู้ถ้ามันเป็นเองเมื่อไหร่แล้วตรงนั้นอาจจะรู้แจ้งอีกทีหนึ่งว่าโอ้มันไร้เจตนาทั้งตัวเราก็ไม่ได้เจตนาที่จะไปรู้มันหรือมันอะไรเนี่ย ค่ะสมาธิสองที่เราปฏิบัติเนี่ยมันเป็นความว่างที่จะต้องทิ้งโลกค่ะแต่ว่าความรู้ธรรมชาติที่เป็นความว่างนี่ค่ะมันจะกลับมาอยู่กับโลกค่ะนะคะควาว่าทิ้งโลกหมายถึงว่าเหมือนเราเนี่ยในขณะที่เรามีความว่างตรงนั้นเนี่ยมันทิ้งโลกไปแต่พอขณะกลับมาอยู่กับเนี่ยปกติเนี่ย มันกลายเป็นว่าต้องมาเจออีกแล้วอย่างเงี้ยไม่ใช่อันนี้คือผิดละแต่ถ้าเกิดธรรมชาติที่มันเป็นความว่างนะคะที่มันเป็นความว่างแท้เนี่ยมันจะอยู่กับโลกได้โดยไม่ต้องไม่ต้องทิ้งเลยอ่ะมันเป็นธรรมชาติของมันนะคะมันมันไม่เหมือนกันต้องคอยสังเกตดีๆนะคะว่าเออลองลองดูว่าเออเราเป็นยังไงเราเข้าใจหรือเปล่าหรือว่าไม่เข้าใจยังไงก็เป็นเชิญ น, นะคะ โยมสติเออเมื่อกี้ยกประเด็นนี้มาแล้วก็พอหลวงพ่อชี้แจงเข้าใจยังไงมั่งเออตรงนี้มาทวนกันนิดหนึ่งมาบอกหลวงพ่อหน่อยออขออทัครับที่ผมได้ยินไม่ชัดนะครับอ๋อคือหลวงพ่อจะถามว่าหลังจากที่โยมได้ยกหัวข้อมาสิบกว่าข้อเมื่อกี้นะแล้วหลวงพ่อก็ได้อธิบายเพิ่มเติมขึ้นมาโยม เอสามารถที่จะเข้าใจอะไรเพิ่มเติมจากที่เคยมีมาบ้างหรือเปล่าหรือว่ายังงงหนักกว่าเก่าหรือยังไงขอพูดให้หลวงพ่อฟังหน่อยก็อย่างที่หลวงพ่อบอกนะครับว่าความความว่างมันมันคือการไม่มีอาการถ้ามีอาการก็แปลว่าไม่ใช่ความว่างแต่แต่ว่าทฤษฎีเข้าใจไหมเข้าใจแต่ว่าการปฏิบัติทอกคนต้องฝึกนะครับอือออ่เย่างนี้ก็ก็ถือว่าไม่หลงจะได้ไม่หลงกับสิ่งที่ปรากฏนั่นรับ สาธุค่ะคะสวัสดีออดเดียนซี่เข้ามาใหม่ด้วยนะคะค่ะตามหัวข้อนะคะก็จริงๆต้งงองว่าหลงเป็นตัวเป็นตเนตเนตมื่อไม่รู้ตัวนะคะแต่ก็ต่อเนื่องมาเกี่ยวเรื่องการปฏิบัติแล้วก็ได้คุยถึงเรื่องความว่างในขณะปฏิบัตินะคะรวมถึงเลยไปถึงความว่างที่เป็นธรรมชาติที่เป็นคนละตัวกับความว่างในขณะปฏิบัตินะคะค่ะ ค่ะสวัสดีค่ะคุณด็อกเตอร์คุณอะไรดีคะคุณดามดครับครับครับอ่าคุณคุณแจ๊บนะคะค่ะคุณแจ๊บสมัชชการหลวงพ่อครับผมจะเรวยนจะรบกวนสอบถามการปฏิบัตินะครับเวลาปฏิบัติแล้วไม่มีเวลาว่างไม่เคยว่างเลยสักครั้งหมายถึงปฏิบัติวิปัสสนานะครับอกําหนดรู้ รู้ขันรู้อะไรตลอดเวลาจนมันรู้สึกเหนื่อยเลยไม่เคยว่างเลยพอรู้ว่าอันนี้เป็นรูปอันนี้เป็นสัญญาโดยมากก็จะเป็นสัญญาเก่าๆแล้วก็มีสังขารที่มาปรุงแต่งพอรู้พอรู้พอรู้กายเสร็จแล้วก็ไปรู้สักพักก็ไปรู้จิตมันไปอยู่ตรงโ้ตรงนี้สักพักไปรู้ธรรมว่ามันฟุ้งซ่านมันอย่างวันอย่างนี้มีวิทยาทำให้มัน ดูวิปัสนาจนว่างไหมครับความหมายที่ที่โยมเข้าใจคำว่าว่างเนาะออขยายหลวงพ่อฟังนิดนึ่งเะรอคำว่าว่างของโยมโยมหมายถึงอะไรหมายถึงหมายถึงพักพักพักที่จะเหมือนกับอย่างเช่นจะอยู่ที่ลมหายใจอยู่ที่กายจนจนรู้สึกว่ารู้สึกว่าไม่เหนื่อยเพราะตอนนี้รู้สึกเหนื่อยในการที่จะในการที่จะรู้ ตามรู้ตลอดนะครับผมไม่รู้จะอธิบายยังไงดีหลวงพ่อก็เข้าใจนั่นแหละความว่างของโยมคือเหมือนกับว่าให้ได้พักเนาะให้มันแบบเหมือนกับมันไม่วุ่นวายเหมือนกับที่มันเป็นเนาะเหมือนกับว่าใช่ครับผมพัก<ม>สักหน่อยจะได้หายเหนื่อยอ่ะเนาะประมาณนั้นอ่ะเนาะใช่ครับผมสาธุครับอ่าโอเคทีนี้วิธีทําเนาะครับอ่าวิธีทําก็คือลองดูณนะตอนนี้เดี๋ยวนี้เลยนะอ่าหยุดก็หมายความว่าหยุดที่จะทําความเข้าใจอะไรทั้งหมดเลย หยุดเฉ<ล>ยๆสาธุครับ <surely> แล้วก็อ่าแล้วก็กลับมารู้ตัวเองว่าตัวเอง ต, อ, งตอนเนี้ยหยุดแล้วเพราะมันรู้ได้ใ น, นเวลาหยุดเนาะสาธุครับใช่เลยครับตัวเองหยุดแล้วเออไม่ค้นหาไม่คน้นควาเนี่ยถ้ากลับรู้ตัวเองเห็นไหมพอรู้ตัวเองปั๊บมันหยุดเลยเพราะฉะนั้นที่ของโยมาที่ที่มันเป็นอย่างนั้นเพราะว่าไม่ไม่กลับมารู้ตัวเองเนี่ยก็เลยมันก็คิดนู่คิดนี่โอเคโยมจับทางได้แล้วเก็เลยโอ้สาธุครับก็เรียกว่าอึดใจเดียวเลยเกาเรียกอึดใจเดียวเลย โอ้สาธุครับใช่เลยครับใช่เลยครับบรรนุโมทนาสาธุครับผมห่อสาธุค่ะค่ะก็จริงๆก็แค่เราไม่ต้องไม่ควานหาที่ไหนนะคะเราแค่หยุดทีเดียวค่ะนะคะแล้วก็กลับมารู้ตัวเองแค่นั้นเองค่ะง่ายมากนะคะค่ะสวัสดีค่ะคุณจงค่ะเรนเช่นค่ะสวัสดีครับเมื่อเมื่อคืนนี้ก็ทําอย่างที่อาจารย์จับพูดแหละครับก็คือ พ อ, อเราไปคิดเราก็หยุดแล้วก็มากลับมาอยู่ที่ลมหายใจแล้วก็มันก็มีผลตามมาคือผมจะผมปรารถนาเป็นพุทธภูมิใช่ไหมครับแล้วตอนนี้ยมันก็ได้กลิ่นหอมแต่ว่าผมก็ไม่สนใจกลิ่นนะครับผมก็พยายามหยุดแล้วก็เออกลับมารู้ที่ ลมหายใจเราเดี um ๋ยวก็ไปพานาบ้างเดี๋ยวก็ไปลมหายใจบ้างเดี๋ยวก็ไปคิดบ้างก็อย่างอาจารย์จะพูดเมื่อกี้ที่แจ้งกระจ่างเลยครับอสาธาได้พบความสงบในอึดใจเดียวนี่แหละความสงบก็คืออย่างนี้แหละยิ่งดิ้นก็ยิ่งเหนื่อยเนาะ พอกลับมารู้ตัวเองหยุดแล้วก็รู้ว่าหยุดแล้วแล้วก็ลองให้รู้แบบนี้ไปก่อนแหละเดี๋ยวยังไงก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งเอาปัจจุบันขณะนี้เดี๋ยวนี้ว่าเออหยุดแล้วมันก็เออหายเหนื่อยจริงเลยค่ะวเบาไปเลยอย่างเราคุณถามคุณจงค่ะแล้วพอเราเนี่ยตอนที่เรารู้ถึงว่าได้กลิ่นหอมเราเรารู้ว่าก็คือเราเลิกเพิกเฉยกับกลิ่นหอมกลับมารู้ที่ลมหายใจ เราเรับรู้ว่าอะไรผัดสะอะไรเราก็เพิกเฉยต่อมันแล้วก็กลับมารู้ที่ลมหายใจอให้ปฏิบัติอย่างยี้ไปค่ะแต่เมื่อถึงวันหนึ่งค่ะนะเราพัฒนาขึ้นอีกค่ะนะคะเมื่อเรารู้แล้วเนี่ยต้องกลับมารู้ที่เราค่ะกลับมารู้เราครับของค่ะอันนี้อันนี้ไม่งงใช่ไหมคะคําว่ากลับมารู้เราครับก็คืออาจจะงงหน่อยนิงนะครับคือกลับมา ร, บรู้เราที่หมายถึงกลับมารู้ตัว ในสติของตัวเองแล้วก็หยุดความคิดหรือว่าการหยุดคิดเนี่ยค่ะไม่ใช่ลล์หยุดเนี่ยมันค่ะคําว่าหยุดเนี่ยเราไม่ใช่เราไปหยุดค่ะความคิดเราไม่สามารถหยุดได้ค่ะนะคะเพราะความคิดจะหยุดเกิดดับเกิดดับอย่างนี้ยตลอดเวลาแต่ว่าเราสามารถทําได้คือเป็นผู้ที่รู้และดูมันเท่านั้นโดยใช้สติครับค่ะลองลองดูนะคะเอาตรงนี้ก่อนค่ะ แล้วเราสังเกตมันบ่อยๆค่ะเพราะสังเกตบ่อยๆเราจะเข้าใจว่าอ๋อจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรที่แบบอยู่ตลอดมันจนปัญหามันจะหายมาเกิดหายเกิดหายเข้ามาตลอดเวลาค่ะอ่าลองดูเล่นๆโดยไม่ต้องไม่ต้องไปฟิกส์มันเจอบจงมันก็ได้ค่ะไม่องั้นเราจะเกิดความเครียดแล้วทาให้เรารู้สึกหนักเราก็ทํากิจวัตรประจําวันของเราปรกติค่ะเพียงแต่เราก็เหมือนกับเอ๊ะสังเกตมันเห็นมัน เป็นช่วงๆเผลอบ้างไม่เป็นไรค่อยๆค่อยๆดูค่ะเพราะทั้งวันนี้เราทําได้ตลอดเลยค่ะแม้กระทั่งทั้งทํางานทําอะไรก็ได้นะคะค่ะนะคะขอบคุณครับน้ำมันใส่ก็อาจารย์คือชี้แจงอาจารมากเลยครับคุณคุณอะไรนะครับหน่่ยหนุ่ยค่ะหน่ยหนุยค่ะค่ะค่ะก็เรียนเชิญนะคะยังได้เวลาอีกนิดนึงนะคะก่อนหลวงพ่อจะไปพิจารณาภัะตาหารนะคะ ขออีกเรื่องนะครับคือปฏิบัติเพอผมปฏิบัติแล้วมันได้ยินเสียงแวว ค, คือปกติไม่ไม่ได้ยินนะครับแต่ว่าได้ยินเสียงแววไอเสียงแววเหล่านั้นเนะี่พอเขาพอได้ยินปุ๊บพอต่อไปมันก็เป็นเรื่องจริงอันนี้ผมเลยสงสัยว่ามันมันเกิดอะไรขึ้นกับผมครับเสียง<ม>ของคนนะะ เสียงแววเป็นสิ่งที่ถูกถูกรู้เนาะเสียงแววเป็นอารมณ์เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะปัจจุบันนั้นแล้วก็จะมีเราเป็นผู้ไปรู้เสียงแววถ้าเราลืมตัวเราก็จะฟังแต่เสียงแววแต่ถ้าเรากลับมารู้ตัวเรากลับมารู้ตัวเราปับ๊บเสียงแววก็อาจจะหายไป ลองนึกภาพได้ไหมที่ผ่านมาเนี่ยมันมีตัวเราไปฟัง<ช>ไปฟังมันน่ะแต่ไม่ได้มีสติรู้สึกตัวกลับมารู้ตั ว, ตวมันรครับอ่าคือคือคือมันลืมตัวไงมันมันอาจจะตัวเราเนี่ยคอยแต่ฟังเสียงแววแต่ลืมตัวไปว่าเราเนี่ยกําลังฟังเขาอ่าเพราะฉะนั้นให้มีสติรู้ตัวว่าตอนเนี้ยตัวเราเนี่ยกําลังทําอะไรอยู่กําลังนอนอยู่หรือกําลังเนี่ยกลับมารู้ตรงนี้อย่าอย่าเพลินอย่าหลงไป ไปดูตรงโน้นอย่าหลงไปฟังตรงโน้นไม่อย่างนั้นเนี่ยตัวเราเนี่ยก็จะตามติดไปแล้วก็จะเกิดปัญหามากมายคือเป็ น, ปปนบ้าหพอเรื่องนี้ล่ละครับอะเป็นบ้าเพอดีเสียงแววเนี่แหละครับเออทีนี้หลวงพ่ออุปมาเรื่องการตามไปนะเราเป็นหนุ่มเนาะเป็นผู้ชายเนี่ยสมมติว่าสาวเนี่ยผู้หญิงเนี่ยเหมือนเสียงแววนะพอสาวเดินผ่านหน้าเราปั๊บ เราก็มองเขามองจนลืมตัวไปเลยนะแล้วก็พอสาวเดินไปต่างเราเราก็มองมองมองมองอย่างเนี้ยตามเขาไปแล้วแต่จริงๆไอ้ตัวเราเนี่ยยังยืนอยู่ที่บ้านหรืออาจจะยืนอยู่ป้ายรถเมล์เพราะฉะนั้นเนี่ยจงกลับมารู้ตัวเราการกลับมาอย่างเนี้ยมันจะทําให้ตัดขาดความหลงที่จะหลงไปทางหลงตามเขาไปแล้วความหลงแบบนั้นแหละมันจะเป็นเหตุให้เกิดปัญหามากมายเป็นทุกข์บ้างเป็นปบเป็นชาติสารพัด เพราะนั้นจงมีความรู้สึกตัวกลับมารู้ตัวเราว่าเราอที่ยืนมองเขาเนี่ยยืนอยู่ตรงนี้แล้วก็สาวนั้นก็หายไปโดยที่ว่าเราไม่ตามติดไปเพราะนั้นเสียงก็เหมือนกันเมื่อได้ยินเสียงอย่าเอาตัวเราไปฟังแล้วก็ตามที้เอาหูฟังไปเรื่อยอย่างนี้ถูกดูดแน่นอนจงกลับมาที่ตัวเราทาเป็นไหมคิดว่าทาเป็นครับเออสาวทุเลยนั่นแหละใช้หลักนี้เรื่อยไปนะจะได้ไม่ไม่หลง ออกไปตามอะไรเนี่ยค่ะค่ะทุกค่ะคุณจน <Okay. S 2> วันนี้แนะนาว่าถ้ามีโอกาสค่ะลองฟังย้อนตอนบ่สองค่ะเพราะว่าตอนตอน้นต้นชั่วโมงค่ะตอน1ิโมงเช้าเนี่ยหลวงพ่อท่านเมตตาอธิบายตั้งแต่ต้นจนกระทั่งจบนะคะแล้วก็เรื่องของการที่เนี่ยเราบาทีเราหลงไปมีเสียงแว้วหรือว่าได้ยินอะไรแล้วเราจะต้องทำยังไงอันนี้ค่ะหลวงพ่อ พูดกระจายหมดเลยนะคะตั้งแต่ต้นชั่วโมงค่ ะ, ะถ้าถ้าคุณจงมีเวลาก็ลองกลับมาฟังตอนบ่ายสได้นะคะหรือว่าถ้าไม่อย่างนั้นก็มีโอกาสก็แอด q r c o d e line ค่ะแล้วก็มาย้อนฟังอีกทีหนึงค่ะได้ว่าเอ๊สิ่งที่เราถามไปเป็นยังไงแล้วลองไปปฏิแบบัติแล้วก็ลองมาฟังย้อนอีกทีหนึ่งค่ะนะคะเราจะเห็นเลยว่าอ๋อมันเป็นแบบนี้นะั่นเองก็ทําให้เราง่ายขึ้นแล้วก็พัฒนาขึ้นได้อีกนะคะค่ะสาธุนะคะคุณจง จีแจงจีแจงกระจ่างมากเลยครับโอ้ผมไม่ได้รู้ว่ามาต่าทำที่วิเศษขนาดนี้เลยสาธุค่ะก็คือผมคิดว่าไอเสียงแหววนั้นมันเป็นเรื่องจริงมันก็เลยหลง <c oughs> แต่ว่ามันความจริงอะ่ะ <c oughs> เขาอาจจะมาบอกแต่ว่าเราเราก็แค่กลับมารู้ตัวใช่ไหมครับใช่ค่ะ <c oughs> จริงๆจะบอกว่าทุกสิ่งในโลกอ่ะที่เราเห็นว่าจริงค่ะ มันไม่เคยมีอะไรจริงสักอย่างเดียวค่ะที่เราเห็นว่ามันจริงเพราะเราให้ค่ามันค่ะเราให้ัญญเราให้คุณค่ามันแล้วก็ไปให้ความสําคัญกับมันค่ะตอนนี้เสียงแววหายแล้วครับแล้ว <c oughs> อ่าอีกอันหนึ่งคือเราต้องเข้าใจที่พระพุทธเจ้าท่านสอนนะท่านบอกว่ามีแต่สิ่งเกิด หมายถึงว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งใดปรากฏขึ้นสิ่งนั้นต้องดับไปเพราะฉะนั้นในธรรมชาติเนี้มันมีแค่สิ่งเกิดสิ่งดับเท่านั้นเองไม่ได้มีค่ามีอะไรเลยสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับเหมือนเสียงเนี่ยเห็นไหมเกิดแล้วก็ดับมันมีแค่นี้จริงๆแล้วตัวเราทั้งตัวก็เหมือนกันเกิดแล้วก็ดับอารมณ์ต่างๆที่เคยโกรธเคยโลภเคยหลงมันเกิดแล้วก็ดับมันมีแค่นี้จริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ย อย่าไปหวังได้หรืออะไรทั้งหมดเลยที่เราเคยคิดเราไว้ว่าจะได้จะได้เพราะได้มามันก็หมดเนาะแม้กระทั่งตัวเราผู้อยากได้มันก็ตายก็หมดให้มีปัญญาเห็นแจ้งตามความเป็นจริงว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับอย่างนี้เลื่อยไปนะแต่ว่าหน้าที่การงานก็ทำทำไปเป็นปกติเนาะทำหน้าที่ที่ถูกต้องแต่ด้วยปัญญาก็คือว่าถึงได้มามันก็หมดอย่าว่าอย่างอื่นเลยเนี่ยไอตัวเราผู้ทางานเนี่ยยังหมดเลยตายเลยเนี่ยให้พึ่ง เห็นแจ้งอยู่อย่างเนี้ยแล้วก็ชีวิตก็จะพ้นทุกข์ในปัจจุบันขณะว่าเออมันมีแค่สิ่งเกิดจริงดับมันไม่มีตัวเราเลยตัวเราที่ยั่งยืนที่เป็นตัวเป็นตนไม่มีอยู่จริงมีแค่ความจริงคือแค่เกิดดับเท่านั้นเองขอบคุณครับพระอาจารย์โอวันนี้ผมผมได้รับคําสั่งสอนที่ดีมากเลยครับคมแนะนําแล้วก็คําสั่งสอนที่ดีมากเลยครับพี่พี่หนุหน่ยครับ คือต่อไปนี้ผมจะไม่ได้กล้าสัญญานะครับแต่ว่าผมจะทำให้มันมากขึ้นตอนนี้เสียงแววมันก็หายไปแล้วถ้าเราไม่ยึดติดตรงนั้นมันก็หายไปก็แค่นั้นเองเกิดดับเกิดดับถูกต้องไหมครับถูกต้องใชยค่ะสาถูกค่ะก็ให้มีสติค่ะแล้วก็อยู่กับปัจจุบันค่ะแล้วก็รู้ตัวบ่อยๆค่ะ ทำงานทำอะไรก็รู้ตัวค่ะไม่ต้องไปไปฟิกมาโอ้ฉันต้องกลับมารู้ตัวนะไม่ต้องขนาดนั้นค่ะเผลอก็ได้ค่ะเผลอก็รู้ว่าเราเผลอค่ะง่ายมากบางที่หลุดไปแล้วก็อ๋อเราหลุดไปแล้วแค่นั้นเองนะคะก็ทำอย่างนี้เป็นเป็นจีบประจำวันนะคะค่ะค่ะสาธุค่ะสาธุครับขอบคุณค่ะผอาจารขอบคุณมากครับพี่หนุ่ยหนุ่ยเดขอขอกลับไปดู ดูลมหายใจก่อนนะคะได้ค่ะสาธุค่ะ